นอกจากนั้นยังมีความจริงในด้านที่ไม่ค่อยเสริมมงคลอีกประการหนึ่งที่น่าบันทึกไว้คือถ้าถูกปลดปล่อยเป็นอิสระย้อนกลับไปฟุ้งซ่านตามอำเภอใจได้วันหนึ่งคล้ายทำงานหนักแล้วพักร้อนเปิดหัวเสบ้างพอกลับมาใหม่ทุกอย่างจะสดใสขึ้นเหมือนมีกำลังวังชามากขึ้นที่สาคัญต้องไม่พักนานเกินไป